การที่เราฟังทำกันสิ่งสำคัญก็คือความสำรวมเนี่ยเมื่อเรามีความสำรวมเราวังสติก็จะทำความระลึกมากขึ้น ฉะนั้นผู้ที่ใฝ่ต่อธรรมทั้งหลายก็ต้องตั้งอยู่โดยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ที่ประมาทก็เหมือนคนที่ได้ตายไปแล้วส่วนผู้ที่ยังเจริญสติ ที่ไม่อยู่ด้วยความประมาทจริงที่ว่าเป็นผู้มีชีวิตอย่างมีปัญญาฉะนั้นหลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์นั้นต้องมีศีลมนุษย์ต้องประพฤติธรรมแล้วก็มนุษย์ ทำไมต้องมีการเจริญเมตตาจิตจุดนี้สำคัญถ้ามนุษย์ไม่มีศีลก็สิ้นสวยมนุษย์ไม่มีธรรมชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ร้อนตลอด แล้วสุดท้ายถ้ามนุษย์ไม่มีเมตตาจิตก็มีแต่ความเศร้าหมองในที่สุดความอิ่มเอิเบิกบานความมีเมตตาเมตรีความรักใคร่สมัาคีก็ไม่เกิดขึ้น พอผิดนิดผิดหน่อยก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วมนุษย์สุดท้ายก็เกลียดชังกันดะนั้นผู้ภาวนาและก็นักปฏิบัติผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะจึงจำเป็นว่าทำไม่ เราจรึงต้องมีการปฏิบัติรักษาศีลฟังธรรมเจริญเมตตา <_ t ot> เพราะว่าความประเสริฐของมนุษย์ก็อยู่ตรงนี้เองนอกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความประเสริฐและเพื่อความพ้นทุกข์ โยมดูพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องรักษาศีลทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องปฏิบัติธรรมแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงเจริญเมตตาจิตจิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทั้งหมดก็เพราะว่าเมื่อพระองค์ยังร้อนรนอยู่กระสับกระส่ายกระเสือกกระสนทุรนทุรายนะ่ก็ด้วยเพราะว่าภายในใจของพระองค์นั้นยังไม่ดับเย็น ชีวิตแท้จริงยังไม่สงบสุขแล้วก็ลุ่มลึกไปก็ยังมีความผูกโกรธเกลียดพยายามบาทอาฆาตชิงชังโดยจิตมนุษย์ทั่วไปที่ยังไม่พ้นทั้งหมดก็ต้องเอาศีลทรรม เมตตาเข้ามาศีลธทำเมตตาเนี่ยมาเป็นองค์ภาวนาแล้วก็มาปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่กายทําไมต้องบอกน้อมเข้ามาสู่กายก็เพราะว่ากายเนี่ยมีการกระทําวันวันหนึ่งมนุษย์สร้างกรรมด้วยการกระทํามนี้มาก แสดงด้วยกายกรรมถ้าไม่มีศีลก็จะเกิดคําว่าการละเมิดเห็นการละเมิดพื้นฐานมนุษย์โดยประเทศที่เขาจเจริญเขาใช้ว่าสิทธิมนุษ ย, ยชนให้มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ให้ละเมิดสิทธิ ถ้าเรามองกันลึกๆ ล, ลงไปเนะี่ยมันก็คือศีลที่ละเอียดที่มีความละเอียดลึกไปอีกก็คือศีลที่ละเอียดกว่ามนุษยชนทำไมศีลก็คืองดเว้นไม่ให้ละเมิดแปลตรงกันเลยเ ห, หปาณาติปาตาเวรมณีสิกขา ปะทังสมาธิยามีศีลข้อนี้ก็ได้บอกว่าให้งดเว้นแล้วก็ไม่ละเมิดมีงดเว้นแล้วก็ไม่ละเมิดยมดูขั้นพื้นฐานถ้าเราไปละเมิดคนอื่น ไปทำลายคนอื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาเราจะได้ความสุขสงบได้อย่างไรก็ในเมื่อการกระทําที่เราทำไปมันเป็นการเบียดเบียนสิ่งนี้ก็ต้องต่อด้วยคำว่าผู้ชนะคือการก่อเวรผู้แพ้ก็คือผู้ ผูกเวยงมฟังดูระหว่างก่อเวนกับผูกเวรมันจบง่ายไหมไม่ง่ายโดยเฉพาะจิตใจที่ได้ผูกเข้าไปมันลึกมันลึกแผลกายเนี่ยไม่กี่ปีก็เป็นเพียงแผลเป็นนะแต่แผลใจนี่นะ มันไม่มีาวมาแผลตายเลยมันจะเป็นแผลเป็นอยู่ข้างในตลอดชั่วกับชั่วกันถึงบอกว่าเออมนุษย์อย่าละเมิดรักสงบไม่เบียดเบียนเช่นพวกเราต้องระมัดระวังกรรมที่จะเกิดขึ้นทางกายกายกรรมหนึ่งฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นทำลายผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นงดเสียอะไรก็ตามที่ไปละเมิดทำลายให้ร้ายเบียดเบียนหยุดหยุดมันจะเป็นเวรกับสุดท้ายก็ตามสนองตนเอง นี่แหละคือเรื่องของกรรมทำอะไรไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วเราก็ต้องได้รับผลกรรมตรงนั้นถ้าโยมต้องการกรรมที่มีความสุขความสบายต้องเจริญเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลก สำคัญนะความเหี้ยมโหดทําลายโลกใบนี้อาตมานั่งกำหนดเพิ่งเห็นไม่กี่วันเนี่ยหรือเพิ่งรู้ไม่กี่วันว่าไม่ว่ามนุษย์ใครก็ตามที่เป็นเพียงผู้มักมากเป็นเพียงผู้ที่อยากได้เป็นเพียงผู้ขอแล้วขอตลอด ในที่สุดแห่งภูมิพพชาติเป็นได้ก็แค่ขอทานเป็นได้แค่กระยาจกเข็นใจในที่สุดแห่งภูมิพพชาติแต่ผิดกับผู้ให้ผู้ให้ผู้เสียสละผู้อุทิศกายอุทิศ ต, ตนในสุดท้ายชีวิตของคนคนนั้นเป็นผู้มั่งคัง่งมีโภคะ แล้วอยู่อย่างสะดวกสบายแปลกไมโยมผู้ขอในที่สุดไปจบที่คำว่าขอทานโอ้ตามาบอเหลือเชื่อกรรมข้อนี้เรากาหนดไม่ได้ตอนแรกแต่ตอนนี้เริ่มมองเห็น มิหน้าพุทเเจ้าจริงได้ตรัสให้รู้จากการให้ทานฉะนั้นโยมอย่าดีใจนะที่เป็นผู้ขอที่เป็นผู้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นสุดท้ายกรรมนั้นเวลาคืนสนองเราไม่ใช่เป็นผู้มั่งมี แต่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่พึ่งเพราะเราไม่สร้างที่พึ่งเราก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยบอกเออยังกรรมังกริษามีเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วอะไรนะเราก็ต้องรับผลของกรรมนั้น ให้พิจารณาบ่อยๆไปเรื่อยๆเรื่องกรรมทั้งหมดแล้วจะเข้าใจฉะนั้นคำว่าละเมิดสิทธิผู้อื่นมันก็เหมือนการละเมิดศีลนั่นเองหยุดด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจ ใจเพียงคิดว่าโลกอยากได้ของเขานี่ก็เป็นมโนโทุจริตแล้วนะยิ่งว่ามันเกิดทางทางใจเขาก็เรียกว่าเป็นมโนเพราะความดมริภายในในส่วนใหญ่ก็มาขยายผลออกมาเป็นวาจาบ้างเป็นการกระทําบ้างจึงบอกต้อง ระวังไว้สำรวมกายสำรวมจิตสำรวมวาจานั่นแหละคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบใครที่ไม่สำรวมเลยก็จะพลาดแล้วเราก็จะสร้างกรรมเกิดเป็นอกุศลกรรม เป็นไงโยมมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกเพื่อสร้างอากุศลเนี่ยธมาบอกผิดทางแล้วนั่นคือนรกไม่ใช่เป็นสวรรค์ไม่ใช่สุคติเป็นทุกคติตอนนี้ยังทันทันตรงที่ว่าเมื่อรู้ ในพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการฟังธรรมก็ดีจากการปฏิบัติก็ดีจากการได้รู้ได้เห็นหรือจิตของเราเกิดความรู้ธรรมขึ้นมาพอเรารู้นั่นแหละจงยังความไม่ประมาทให้ถึงเพราะเอาแล้วพอรู้เสร็จก็ รีบสำรวมใหม่หยุดละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานงดเว้นความประพฤติที่ไปก่อ บ, บาปสร้างเวรกรรมเราพูดเรื่องคำว่าบูรณาการใช่ไหมเออทำไมไม่ออกมาบูรณาการกายวาจาใจกันบ้าง บุรณาการศีลสมาธิปัญญามาบุรณาการพฤติกรรมของมนุษย์ให้ประเสริฐสอดคล้องกันโยงใยกันเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบทุกคนทำร่วมกันเนี่โอตอมาบอกมีแต่ความสุขสบาย ปัญหามีเรื่องงานเราแก้แต่ปัญหามีเรื่องคนนี่แย่โยมสังเกตปัญหาเรื่องงานเราแก้ไขกันไม่นานก็สำเร็จแต่ปัญหาเรื่องคนพอเกิดขึ้นแล้วมันแย่มันรวนไปหมด ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจิงจิงเท็ดเท็ดจับต้นจนปลายไม่ถูกจนเป็นเรื่องวุ่นวายทะเลาะบอกแววงแย่งชิงเข็นฆ่าใส่ร้ายป้ายสีเบียดเบียนทำลายวุ่นวายจะตายในที่สุด มนุษย์ขาดความสุขไปแล้วอีกคนหนึ่งฉะนั้นพวกเราพอเข้าใจแล้วเนี่ยอะไรเป็นอกุศลกรรมเรารู้บาปเกิดทางกายยอมรู้แล้วนั่นคือคนมีสีหลังรู้เลยว่าเราเป็นผู้ รักษาไม่ใช่เป็นผู้ทาลายฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้บําเพญ็ญศีลประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญอยู่ด้วยเมตตาภาวนาปัญญาเมตตาภาวนาปัญญานิพพธิสัตบําเพนอยู่นะ ใครก็ตามที่ปรารถนาะบําเพ็ญเป็นโพธิสัตว์อยู่เมตตาภาวนาปัญญามาอันดับต้นๆเลยนะขาดไม่ได้เมตตาภาวนาปัญญานั่นแหละคือความพ้นทุกข์ในที่สุดคือความหมดจดบริสุทธิ์ ยมฟังดูเมตตาสีขาวนะใสภาวนาปัญญาอเออมันเป็นความสว่างภาวนาเมตตาเป็นสีขาวภาวนาเป็นแสงสว่างปัญญาคือความหมดจดบริสุทธ์บอกเออ ใครนอได้สัมผัสใครนอได้ลิ้มรสใครนอได้รู้มีความสุขที่เกิดจากพลังแห่งกุศลอันเจริญอยู่ด้วยเมตตาภาวนาปัญญาดวงจิตนี้โยไม่ต้องห่วงเลยมีธรรมะ คุ้มครองมีสติไม่เศร้าหมองแล้วก็มีปัญญาอันรู้แจ้งจนถึงแทงตลอดอโยมการภาวนาปัญญาก็มีในระดับของปัญญาจนว่ามีปัญญาญาปัญญาวิมุติเห็นไหม และปัญญาแห่งความรอบรู้เริ่มต้นคือปัญญาแห่งความรอบรู้ก่อนนะโดยที่เราพิจารณาทั่วทั่วไปเนี่ยมนุษย์สัมผัสรู้ได้แต่พอบอกปัญญาญาณ น, นี่มันเฉพาะเลยนะลึกไม่ได้มองด้วยตาเห็นปัญญาญาณ หรือว่าอย่างรู้ก็กว่าาได้จนถึงปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาสุทธิบริสุทธิ์ที่ปัญญาอันวิมุตติหลุดพ้นไม่มีความเศ้าหมองปัญญาแบบนี้ถึงบอกใครก็ตามเมื่อปฏิบัติภาวนาถึงสูงสุด แห่งปัญญานะเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ทาไมใช้ปัญญาวิมุตต์เพราะหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติของโลกใบนี้โดยประการทั้งปวงจบไหมคำนี้ปัญญาวิมุตต์ทาไมจึงหลุดพ้นทุกเพราะ เป็นปัญญาที่ไม่ติดสมมุติแล้วโลกที่พวกเราอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยความเที่ยงใครก็รู้เมื่อกำหนดจริงๆโลกใบนี้ที่เราอยู่ในที่สุดมีแต่สภาพทุกข์เกิดและก็ทุกข์ดับใยต้องยึด ต, ติ แม้สุเกิดกเ็เป็นเพียงขนาดหนึ่งของจิตเท่านั้นก็ไม่ได้เทียงแล้วผู้มีปัญญาจะยึดติดทำไมไม่มีใครยึดใครไม่มีใครติดใครเวลาหนึ่งพบนะอีกเวลาหนึ่งก็จากกัน ไม่ได้มานั่งดีใจหรือเสียใจกับคำว่าพบหรือว่าจากเห็นไหมไม่ได้มานั่งพิไรรำพันอยู่กับสิ่งที่มีหรือจากไปบอกเออปัญญาปัจโชโตอันเป็นแสงสว่างหรือเป็นใหญ่ก็ตาม เขาเห็นเห็นว่าวงจรของมนุษย์ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิสกเขารู้ระบบเศรษฐกิจวงจรทั้งหมดทำงานแบบไหนจากเดินอย่างไรเขารู้หมดพอเขารู้ในวงจรเหมือนกับผู้บำเพ็ญรู่นในภูมิภพของ ความเกิดใครจะไปยึดติดอยู่กับคำว่าหลงใครจะไปติดอยู่กับคำว่าของที่เสียไม่มีเหมือนในช่างเขาไม่ได้ยึดของเสียมีแต่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมใหม่ให้ดีแต่พอมนุษย์ไม่รู้เกิดความประมาทก็พลาด พลาดตรงไหนโยมรู้ไหมพลาดตรงที่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วทำตัวเหมือนบัวใต้น้ำสุดท้ายก็บอกชีวิตน่ารำคาญชีวิตมีแต่เรื่องวุ่นวายชีวิตมีแต่เรื่องทุกข์ชีวิตมีแต่ปัญหาชีวิตมีแต่ศัตรู บอกอาตมาบอกว่าเรานั่นแหละเป็นศัตรูให้กับตัวเองเป็นหลักสำคัญเรื่องจริงะถ้าไม่กำหนดจริงๆมนุษย์ไม่รู้นึกว่าศัตรูเนี่ยอยู่แต่ภายนอกโถยมมารมันอยู่ในใจเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วใจของเรานั่นแหละเป็นมาร กั้นความดีขวางความดีกั้นคุณธรรมปิดบังแห่งความจริงอยู่ตั้งหลายหลายเรื่องไม่ใช่เพราะกิเลสหรือยมกำหนดนิ่งให้จริงแล้วจะเริ่มเริ่มเห็นถ้าจิตใจยังสับสายกวัดแกวงดิ้นรนกระแสรกระสนความคิดยังฟุ้งซ่านอยู่นะ่าตะมาบอกได้เลย มันเหมือนน้ำขุนมือเราโคนอยู่ตลอดแต่ก่อนมันก็โปนอยู่ในน้ำนั่นแหละนิ่งหน่อยจริงบอกว่าเบื้องต้นต้องใช้สติหัดฝึกสมาธิบ้างแล้วก็ ทำความรู้ภายในแล้วก็นั่งดูความเคลื่อนไหวไม่ใช่มีแต่ความหวั่นไหวถึงบอกจิตไม่นิ่งก็มีแต่ความหวั่นไหวพอจิตนิ่งเราจะเห็นสิ่งเคลื่อนไหวเราจะรู้เลย ว, ว่าจิตขณะหนึ่งปรุงแต่งอย่างไร ไหนรักไหนโกรธไหนชอบไหนเกลียดไหนชั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมานิ่งดูบ้างจะได้เห็นสิ่งเคลื่อนไหวถ้าใจวันไหวเราจะไม่เห็นอะไรทา่ทานทั้งที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็ไม่เห็นไม่เห็นมันขุนอยู่ที่บอกเออุนเวลามันขุนมัวอยู่มองอะไรไม่เห็น กุศล น, นี้ยิ่งไม่ต้องพูดเลยจึงเห็นผู้ภาวนาหลายคนใช้ความนิ่งกำหนดลงเพื่อให้เกิดองค์ภาวนาในสมาธิจนเกิดเป็นปฐมฌานมีปิติสุขเอกคัตตา และมีวิตกวิจาร์ความตริกความตรองหรือความตรึกความตรองก็ได้ใหม่ๆสองความคิดก็ขัดแย้งกันกูสลอากูสลก็ขับเคี่ยวกันระหว่างดีกับชั่วผิดกับถูกบุญกับบาปมันเป็นสิ่งคู่กันเราต้องแยกออกมา ให้เห็นเป็นหนึ่งเดียวแล้วค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆห่างจากฝ่ายอากุศลทั้งหมดจนถึงความตรึกความตรองสงบลงมีปิติสุขเอกคัตตาฌานก็สูงขึ้นเกิดเป็นทุติยฌาน เห็นไหมพอจเจริญมากขึ้นจิตมันค่อยๆ ค, ความกังวลความฟาุ้งซ่านความวิตกวิจยัยมันจะลดลงเหลือเพียงคำว่ามีปิติสุขเอกคัตตาจิตเป็นสมาธิพอมากขึ้นไปอีกจนถึงคำว่าปิติสุขนั้นก็ดับลง มีจิตอันวา่าเป็นธรรมชาติโหได้ยินศักว่าได้ยินเสียงหนอไม่ปรุงไม่แตง่งไม่ยึดไม่โลภไม่กโกรธไม่หลงใครจะพูดอะไรก็ตามที่ได้ยินจิตวางเฉย คำว่าจิตวางเฉยไม่ได้หมายถึงว่าเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้มีสติสัมปชัญญะแต่ไม่ยึดติดรู้ไม่ยึดติดไม่มั่นหมายหมายถึงว่าสิ่งใดใดที่เกิดขึ้นเรารู้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ยึดด้วยธรรม ยกเว้นว่าเรื่องอะไรที่เราควรจะทำและแก้ไขเราก็แก้ไขแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ไม่ยึดติดนั่นเขาเรียกว่าจิตที่ตั้งมันคนไม่เข้าใจนึกว่าทำอะไรเราต้องยึดติดกับสิ่งนั้นบอกไม่ใช่ อย่างนั้นเขาเจะเรียกว่าหน้าที่หรือทำโดยหน้าที่เห็นไหมทำแบบมีความรับผิดชอบทำแบบให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงความรับผิดชอบต้องมีแต่เราไม่ยึด หรือต้องแบกสิ่งนั้นต่อพอเสร็จแล้วให้วางถ้ายมเสร็จแล้วไม่วางยมจะแบกโลกนี้หนักขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเราแบกไม่ไหวยมจะบอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วมีแต่ทุกข์ใครล่ะเป็นคนแบกทุกข์มาเข้าใจยัง ต่อให้โยมจะเรียนเก่งสักขนาดไหนถ้าไม่มีปัญญาวิมุตสุดท้ายเป็นคนที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองคือขาดความสุขเสียหายกว่าจะตายคนบางคนเจอเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องทำอย่างไรโยมไม่แบกจนหัวแบะ โอ้แตมาบอกเข้าใจไม่เก้าอี้มีไว้ให้ทําอะไรบอกสร้างเก้าอี้เอาไว้ให้นั่งทําเตียงต่างหรือเตียงตั้งเอาไว้ให้นอนสร้างละครเอาไว้ให้ดูเสร็จแล้วเมื่อโยมจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ก็ลุกเถอะ เพียงแต่เก็บไว้เป็นที่เป็นทางเมื่ออยากจะมานั่งก็มานั่งใหม่ไม่ต้องแบกเก้าอี้ไปเข้าใจหมเออเตียงที่โยมนั่งต่างที่โยมนอนเตียงนอนตื่นขึ้นก็อย่าแบกเตียงไปนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเรานี้ไม่รู้จักประเทศไทย คือไม่เข้าใจสังคมไม่รู้จักวิธีใช้ชีวิตต้องระวงังพอไม่รู้ก็เราก็นึกว่าเราต้องแบกเตียงนอนไม่ใช่พับเก็บถ้าไม่มีที่พับเก็บ ยมก็วางเป็นที่เป็นทางจบแล้วจึงบอกใช้ชีวิตเป็นเละอย่างผู้ฟังธรรมผู้มีปัญญาผู้รักษาศรรีลผู้รู้กรรมมีบากทั้งหลายใช้เป็นเละอย่างชีวิตเหมือนเก้าอี้ที่ยกตัวอย่างยมจะแบกไปดาแต่มาไม่แบก ไปที่ไหนถ้าไม่มีเก้าอี้ก็ยืนสุดที่จะยืนก็พิงหมดที่พิงก็นั่งอยู่กับพื้นนั่นแหละปัดเส้นหน่อยมันต้องเป็นธรรมชาติสุดท้ายโยมต้องไปเรียนรู้กับครูที่เป็นธรรมชาติขั้นสูงสุดคือปรับสภาพชีวิตอยู่กับสิ่งนันเป็นธรรมะขั้นสูงสุด ปรับชีวิตให้กลมกลืนกับสิ่งที่เราอยู่อย่างมีธรรมะให้ลงตัวให้ได้มากที่สุดทุกจะค่อยๆสงบลงอย่าเอาตัวตนออกมาจึงบอกปฏิบัติละตัวตนไม่ใช่แบกยึดถือตัวตนข้าพเจ้านั่งไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ปา่า มันหนักนะชุดไหนที่สบายที่สุดโยมก็ใส่ชุดนั้นแหละมันเป็นส่วนตัวแล้วจะไปแบกใส่หัวโขนทาไมะจะไปประดับอะไรกันนากันหนาะถอดๆอๆออ ด, อ ด, อดให้มันบางเบาที่สุดเอานอนเสจริงๆโยมต้องการแค่นี้ใช่ไหม ใช่โอ้โหไม่ต้องมีพวงระยะหรอกโยมเอ้ยเข้าใจไม่ธรรมะขั้นสูงก็คือปรับตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งที่เราใช้ชีวิตอย่าเอาตัวตนมาสมอ้างตอนนั้นไม่งั้นอยู่ไม่เป็นสุขอ้างเมื่อสิบปีก่อนฉันเป็นอย่างนี้ แต่บัดนี้ฉันทนไม่ได้เพราะฉันเคยสุขสบายบอกเลิกสิถีเธอไอ้พวกติดชีวิตที่ไม่ยอมละว่าไม่เข้าท่าไม่เข้าใจเนี่ยแล้วนึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันดีที่สุดมาบอกคนคนนี้ไม่รู้จากความเกิดดับ ชีวิตคนนี้ไม่รู้จักคาว่าไม่เที่ยงและไม่เข้าใจคำว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแน่แท้วันนี้เราหัวเราะคนอื่นเคาร้องให้แต่วันข้างหน้าคนที่หัวเราะ อ, อาจจะร้องไห้คนที่ร้องไห้อาจจะหัวเราะวันนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นโยม ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่กับสิ่งนั้นให้กลมกลื น, นเหมือนไปทะเลโยมต้องมีความเข้าใจกับทะเลอย่าไปอ้างป่าไม้โยมต้องพอใจในเกลียวคลื่นทะเล พอใจในลมของทะเลพอใจในโขดหินทะเลพอใจในฟองน้ำของทะเลหรือสีน้ำทะเลนั่นคือการเที่ยวทะเลยังมีความสุขพอเข้าป่ายมอย่าเป็นนึกถึงทะเลจงมองความเขียวชอุ่มพุ่มสวัย สูดอากาศโอโซนออกซิเจนให้ลึกให้แดม่มากที่สุดมองแมกไม้ธรรมชาติสิงสาราสัตว์ลำธาร น, น้ำตกที่ไหลจากสูงลงที่ต่ำพื้นดินชุ่มฉ่ำหรือชุ่มชื้นอยู่โยมมองให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ปรับชีมิตเออเหนื่อยก็ดีออกกำลังกาย เงือออกก็ดีเนาะได้ขับเชื้อโรคออกทางผิวหนังบ้างนั่นคือการสร้างภูมิธรรมะให้กับชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักถึงบอกเออยมรู้ไหมเวลาเหนื่อยพูดกับตัวเองว่ายังไงเวลาสบายพูดกับตัวเองอย่างไรถ้ายมไม่เข้าใจตารมาก็บอกว่าน่าเสียดายธรมบอกยามที่อยู่กับความร้อน โยมต้องมีปัญญาอยู่กับความร้อนให้ทุกน้อยที่สุดนั่นคือการปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดถ้าจําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้โยมก็ต้องจํายอมแล้วก็ยกจิตขึ้นโอ้ถ้าเข้าใจอาตมาว่า เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนสุขทุกขยมจะไปที่ไหนเหมือนมีอยู่สุดรนพระพิสุได้เข้ากราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระพุทธเจ้าขอจาริกไปเว่นแคว้นอื่นพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนพิสูจถ้าเธอจะไปจากที่นี้แล้วเมื่อเดินทางไปในเมืองอื่นแคว้นอื่นนิคมอื่นแล้วถ้ามีคนเขาด่าเธอเธอจะว่าอย่างไรโยมฟังนาะแล้วคิดตากถ้าเขาด่าข่าพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้า จะกำหนดจิตว่าดีกว่าเขาตีพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดเขาตีล่ะพิสุข่าพุทธเจ้าก็จะกําหนดจิตว่าดีกว่าเขาฆ่าพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดเขาฆ่าเธอล่ะข่าพระเจ้าจะกําหนดจิตว่าดีกว่าเราฆ่าตัวเองพระเจ้าค่ะ เมื่อพระพุทธเจ้าสดับตรับฟังจบจากพิสุแล้วก็บอกอนุโมทนาสาธทุกดีแล้วพิสุเธอไปได้ทำไมไปได้โยมเขาปรับจิตสูงขึ้นกว่าเรื่องที่ขณะเกิดทุกครั้งเลยโยมฟังเขาปรับจิตได้เมื่อมีคนเขาดา่า ยกจิตว่าดีกว่าเขาตีแล้วถ้าเขาตียกจิตสูงอีกดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่ายกจิตสูงกว่าดีกว่าเราฆ่าตัวเองสุดยอดผู้ไม่มีเวรไปเถอะนี่คือคำว่าบรรลุแล้วนะแล้วพวกเราเคยยกจิตสูงกว่านั้นไหมมันด่ากูใช่ไหม กูเจ็บนะแค้นนะเกลียดนะชังนะโอ้โหผูกใจเจ็บผูกอาฆาตพยายามบาทสักวันหนึ่งคืนกลับคูณอีกเป็นกี่เท่าไม่รู้อย่างนี้ไปไหมไปไม่ได้ไอยมรู้ไม่จะมาเคยคิดครั้งหนึ่งเออถ้าเราเราเข้าป่า แล้วถ้าสมมุตินะว่าถ้าเจอเสือละ่ะจะทำยังไงที่แรกบอกเจอก็วิ่งี่นั่นคือใจชนะการเอาตัวรอดแล้วคิดไหมว่าวิ่งจะชนะเสือคงไม่ไม่พ้นแนะ่แล้วถ้ากลัวอย่างนี้ก็อย่าไปดีกว่านะ ไปเสร็จก็ไปนั่งเสียวหลังเสียวหน้าอยู่ตำมาว่าเนาะภาวนาภาวนาได้กลิ่นมาภาวนามาได้กลิ่นมาเนี่ยไม่ไหวแล้วล่ะเลยตั้งจิตใหม่เออถ้าเข้าป่าเมื่อเราไปหาเขาถ้าเจอเขาก็ไม่ต้องหนีและถ้าไม่หนีมันกัดตายทํำยังไงบอกถ้ากลัวตายก็อย่าพึ่งไป ใจยังไม่ยอมรับความตายยังไม่ยอมรับสิ่งที่เราไปหาก็อยากไปเออใช่เอาแล้วถ้าจะไปลนะ่ะใจมันอยากไปต่ออีกแล้วถ้าอยากจะไปจริงๆนะถ้าไปจริงๆก็ต้องยอมตายก่อนอธิษฐานก่อนไปถ้าด้วยเวรกรรมบิณบากอันใดที่มีต่อกัน พึงดชดใช้แล้วอาตมาก็ยอมสะละชีวิตร่างนี้เพลยให้กับสัตว์แต่ถ้าไม่ถึงคราววิบัติไม่มีเวรกรรมต่อกัดสัตว์ทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนและอย่ากั้มกายทำลายเราได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาตั้งจิตอธิษฐานใหม่นั่นก็แสดงว่า ถ้าเจอเสือก็ยอมไม่เสือกินฟังแล้วมันน่าไปไหมเนี่ยโยมมันอยู่ที่ว่าจิตเราใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินถ้าใช้วิบากกรรมเป็นเครื่องตัดสินก็ไม่กลัวก็ไม่กลัว ถ้าไม่ถึงข่าวยังไงก็มีเหตุต้องช่วยเราหรือไม่เจอกันแต่ถ้าเจอกันถ้าไม่มีเวณต่อกันเขาก็ไม่ทำเราเพราะศีลจะคุ้มครองเราอาตจมาเชื่อตรงนั้นแล้วก็เชื่อแบบไม่มีข้อกังขายิ่งพวกอามนุษย์ถ้าเรามีฌานมีสมาธิจิตมีภูมิจิตดี ไม่สามารถหลอกหลอนทำลายให้เราเกิดความกลัวได้เราต้องดูภูมิธรรมเราก่อนนะที่จะไปไม่ใช่เดินตามเขานะไม่ไม่ใช่บวชสามวันปีครึ่งปีบอกไปทุดงแล้วตะมาฟังดูขัดขัดยังไงไม่รู้ทุดงนะบวาทุดงปอดแหขนาดนี้ทุดงกลัวผีไปทุดงโธ นอนคนเดียวยังไม่กล้านอนยังเปิดไฟอยู่หลวงพี่เออทุดันมากกว่าเพิบรู้ไหมว่าถ้าจะไปปลีกวิเวกเวมันต้องไปในที่ ส, ง, ส ง, งบัดอันสงบไม่พลุกพลานไม่คุกคลีหมู่นนะเขาแยกนั่งกันเขาคนละลูกหนุยมเอากันอย่างนั้นนะ ปฏิบัติก็มาสรุปว่าถ้าเจอเขาเราก็ไม่หนีเมื่อถึงคราวที่จะต้องตายก็ต้องยอมสละเท่ากับชดใช้ภูมิภพชาติที่เราเบียดเบียนสัตว์กันมาแต่ถ้าไม่เช่นนั้นสิ่งนั้นก็ทำลายเราไม่ได้เมื่อตัดสินใจแน่ๆก็เดินทางแล้วก็ ก็ปลอดภัยดีเราต้องปรับยกจิตขึ้นตามระดับที่เราเจอปัญหาถึงตมาบอกเออสูตรนี้ตมาอ่านเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากเพราะเออท่านเก่งนอะคิดว่าเออท่านทนได้ตมาเข้าใจว่าท่านทนได้แต่จริงๆไม่ใช่ทนท่านไม่ได้ทนนะ แต่ท่านมีธรรมที่อยู่เหนือสภาวะที่เกิดเรื่องนี้ท่านยกจิตไปสู่ธรรมที่เหนือกว่าธรรมมาบอกเนี่ยสุดยอดตรงนี้เองปัญญาวิมุติไม่หยุดอยู่ตรงเหตุที่เป็นทุกข์ยกอยู่เหนือเหตุแห่งความทุกข์ไปดับเป็นตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกเออดีแล้วพิสุสาทุกการเธอไปได้แล้ว ถ้าเขาฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าตัวเองเพราะฆ่าตัวเองนี้มันเป็นกรรมหนักอยู่แล้วเท่ากับเราไม่ยอมรับวิบากกรรมชะตากรรมที่เราได้เจอแล้วเราก็หนีไม่อยากจะรับทุกข์อีกแล้วบอกผิดผิดต่มาอย่างยังทราบว่าหลายคนที่มีเวทนามากมาก ยามเจ็บป่วยบางคนฆ่าตัวเองตายบางทีก็คิดว่าเกรงใจลูกหลานบ้างบางคนก็ดูแล้วตัวเองก็ไม่อยากจะอยู่แล้วผูกคอตายพระก็เคยมีเรื่องมีอยู่ครั้งนึงเกิดที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสาน เป็นพระมาหาด้วยนะท่านก็เรียนจบปริญญธรรมห้าหกประโยคเดิมทีก็อยู่กรุงเทพเสร็จแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ที่วัดบ้าน <c oughs> เกิดเมืองนอนที่อยู่อยู่ไปอยู่มาท่านเกิดอาพาธ อ า, าพาธหนักนะเจ็บป่วยหลายปีจนมันทรมานมากทุกข์มากสุดท้ายโยมรู้ไหมท่านจบยังไงไปป่าช้าผูคอตายไม่รู้ท่านทุลักทุเลไปถึงได้อย่างไร คงจะอยู่ในขั้นที่เป็นอมพุดนะแต่ท่านกเกืรเกะสนไปจนถึงป่าช้าและผูคอตายเหลือเชื่อถ้าท่านทนอีกหน่อยความตายยังไงมันก็มาอยู่แล้ว และการไปแบบนั้นไม่ใช่หมดกรรมแล้วก็หนีกรรมไม่ได้แต่เป็นการเพิ่มภูมิพบให้มันยาวไปอีกจิตตอนนั้นก็ไม่เจริญด้วยกุศลฉะนั้นโยมต้องปรับต่มาบอกคนที่บำเพ็ญธรรมขั้นสูงที่แท้ท่านยกจิต อยู่เหนือความทุกตรงนั้นได้สุดยอดเลยยเรื่องนี้เกิดมาห้าท่านยกจิตเป็นเจ็ดเรื่องเกิดที่เจ็ดท่านยกเป็นแปดเก้าเรื่องเกิดที่แปดเก้าท่านยกเป็นสิบสิบเอ็ดอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่ยกพิสุขที่แรกจะมาเน้นว่าโอ้ท่านอดทนทนที่ให้เขาดา่าทนในการถูกทุกตีทนในการที่จะเขาฆ่าไม่ใช่ ท่านไม่ได้ใช้ความอดทนส่วนเดียวแต่ท่านใช้ภูมิจิตของท่านยกขึ้นสู่ธรรมต่างหากแม้บรรดาเหล่าพระอริยะก็เหมือนการธรตามากำหนดดูทำไมพระอริยะพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าปิดอวัยภูมิไม่ไปสู่ทุกติภูมิมีสุขติ อันเป็นที่หมายทำไมพระอริยไม่ตกนรกไม่เป็นสัตว์เนราชาติไม่เป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายที่แท้มานั่งกําหนดดูกายของท่านอยู่กับศีลวาจาของท่านอยู่กับศีล ใจของท่านอยู่กับธรรมไม่นาะท่านไม่ได้ใช้อาาัตตาตัวตนเป็นเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์ปูติุชนตรงนั้นท่านใช้ศีลใช้ธรรมเป็นการอยู่ในชีวิตที่มีอยู่ก็บอกอ๋อมองเห็นแล้วท่านอยู่โดยวิถีอย่างนี้เอง ถ้าเขาฆ่าท่านตายแต่ท่านไม่ฆ่าเขาตายท่านตายท่านไม่ได้ตกนรกเพราะท่านไม่ได้สร้างเวรบาปกับแต่ถ้าท่านไปฆ่าเขาตอบท่านมีสิทธิตกนรกมิหน้ามิน้ า, นายอมตายเพื่อรักษาสิ่เข้าใจแล้วคือท่านไม่โต้ตอบอันเป็นเรื่องแห่งบาปกรรม ท่านอยู่กับองค์ศีลมีสาระที่พึ่งที่ระลึกมีหน้าที่จะพุทธทางสารนังคัตฉามิธรรมังสารนังคัตฉามิเห็นไหมสร้างคังสารนังคัตฉามิเอาองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งตลอดชีวิต จะมาบเข้าใจล่ะแล้วลท่านก็เอาศีลเป็นที่พึ่งยอมรักษาศีลไม่ยอมทำลายศีลอยู่เหนือตรงนี้เองใครว่ายากก็ตรงนี้ใครว่าทำได้ง่ายก็ตรงนี้แต่ตัมมาว่ายาก ยากยากตรงที่ว่าน้อยคนที่จะเจริญสติะระลึกถึงศีลเมื่อถึงหน้าสิวหน้าขวานเหตุการณ์เป็นตายเท่ากันความวิบัติความพิบัติทุกอย่างมันเข้ามาถึงตัวแล้วเราเกิดในชั่วขณะจิตนั้นถ้าเราะระลึกไม่ทันรักษาไม่ดีสติไม่ตั้งจิตไม่มั่นพัง พังธรรมาบอกเข้าใจแนละ้วท่านอยู่กับองค์ศีนจิตอยู่กับองค์ธรรมกายมีศีล ร, รักษาใจมีธรรมคุ้มครองมิหน้าสติจึงไม่เศร้าหมองในขนาะโสดาบันนะแล้วท่านก็มองเห็นโดยความไม่เที่ยงทั้งหมด แล้วเคารพเรื่องกฎกรรมด้วยเหมือนพระโมคคัลลาเห็นไหมโยมพระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์มากแต่ยอมให้โจรห้าร้อยทุบกระดูกแตกแกหลกเลวไม่ตอ่อสู้ยอมให้โจรห้าร้อยทุบกระดูกแตกแกหลกเลวใช้กรรม ที่เคยทำบิดามารดาครั้งอดีตที่ยังประมาทอยู่ถูกโจนทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเลวทำไมไม่เหอะไม่หนีไม่หายตัวไม่สู้ฤทิ์ก็มีก็บอกไงว่าท่านไม่ได้ใช้ตัวตน ไม่ได้ใช้เวทมนต์ไม่ได้ใช้ฤทธิ์แต่ท่านใช้กรรมโอ้จิตอย่างนี้ธรรมาว่าถ้าไม่ถึงที่สุดใครก็ทาไม่ได้อาตมาก็ทาไม่ได้โยมก็ทาไม่ได้แต่พอถึงที่สุดทุกคนทำได้เพราะจิตนั้นมีธรรมคุ้มครองแต่ร่างกายชดใช้กรรมแยกกันนะ กายชดใช้จิตบรรลุสุดยอดตรงนี้แหละโยมโยมพวกเราก็เหมือนคนมีเวรกรรมนะอย่านึกว่าพวกเราเป็นคนมีบุญามาบอกอย่าประมาทและบางคนกินบุญเก่าคือไม่สร้างใหม่เลยทานไม่ทานไม่ทำศีลไม่รักษาจิตไม่ภาวนาะสติปัญญาไม่อบรมเลยเนี่ยระวังเลย เราว่างไว้เราว่างวันหนึ่งพอเราหลงเข้าไปเนี่ยมันเป็นวังวนแห่งโอคะจะจมสัตว์ลงในภูมิภพลงในทิฏฐิลงในกา ม, มะคุณทำให้เราเนี่ยหลงหลงอยู่ในภพ ยิ่งกำหนดไปใจพอรู้โยมจะมีแสงสว่างมันสว่างเกิดจากจิตมันนวลสว่างเบาไม่ใช่มองอยู่ในโลกนี้อย่างเดียวโยมมองทะลุมิติในโลกใบนี้จึงบอกรู้ เบื้องต้นก็คือปัญญารอบรู้แบบทั่วๆไปกำหนดพิจนาแต่พออย่างรู้เป็นปัญญายาญ่พอรู้ถึงสูงสุดปัญญาวีมุติหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติทั้งหมดสิ่งที่มีตัวตนอยู่ในตัวตนนั่นไม่ใช่ตัวตนโอ้พูดได้ยังไงเป็นคนอย่างนี้ใครจะมาฟังกับพวกเรารู้เรื่องโยง สิ่งที่อยู่กับตัวตนในของเรานั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นได้แค่ธาตุสี่มีการเวลาอายุหมดสมัยก็แตกดับใจของเราปักอยู่อย่างนี้เอากำหนดไปเรื่อยๆเห็นหมยมดูสายตาคนเมื่อก่อนพวกเราไม่มีหรอกตาสั้นตายาวตาเอียงไม่มีอยู่ใบหยุ่มาไม่ใช่ตาสั้นตาเอียงตาชักไม่เห็นเลยนยอง มันเลยเถิดแล้วนั่นเนี่ยหมอหมอช่วยวัดหน่อยเอียงเท่าไหร่หมอมันเกินเคร์บมันเกินเคร์บไมว่าไงมันเกินจอแล้วล่ะมันล้นออกไปแล้วสมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่าน ทุกคนเธน